เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจคุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2552เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่าง จากภารกิจการงานจึงได้มาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาทำนุบำรุงจิตใจของตนให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม ด้วยการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นเหตุที่จะนำประโยชน์มาให้แก่จิตใจในหลายรูปแบบด้วยกันการทำบุญให้ทานนี้มีอนิสงผลบุญคือทำให้จิตใจมีความอิ่มมีความสุขมีความพอเพราะการให้ทานนี้ จะไประงับดับความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวถ้าใจไม่ได้รับการชำระความโลภความตนีความเห็นแก่ตัวใจจะมีแต่ความอยากความหิวความต้องการอยู่ตลอดเวลาถึงแม้จะมีสมบัติข้าวของเงินทองมากมายกายกอง มีอาหารรับประทานอย่างเหลือเฟือก็ตามแต่ใจจะไม่มีความรู้สึกว่าอิ่งว่าพอเลยเพราะสมบัติตา่างๆอาหารตา่ตางๆไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทํานุมบำลุงจิตใจนั่นเองไม่ได้เป็นอาหารของใจดังนั้นต่อให้มีมากเพียงไรก็ตาม ต่อให้รับประทานอาหารมากเท่าไหร่จนกระทั่งอ้วนมีน้ำหนักเกินแต่ใจก็ยังมีความหิวมีความอยากมีความต้องการอยู่เห็นอาหารก็อดที่อยากจะรับประทานไม่ได้ทั้งทั้งที่ท้องนี้บอกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วหมอก็บอกว่าต้องลดน้ำหนักแล้วแต่ใจมันไม่ยอมลดตามคำสั่งของหมอ เพราะใจยังไม่ได้รับอาหารของใจนั่นเองอาหารของใจก็คือการให้นี่เองคือทานทานแปลว่าการให้ให้อะไรเราก็มีอะไรที่เราเหลือกินเหลือใช้ที่เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราเราก็เอาไปให้ ถ้าเรามีสมบัติเข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาเงินไปทําบุญทาําทานว่าอย่างวันนี้ท่านก็ได้นําเอาเงินทองไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารซื้อเครื่องใช้ไม้สรอยต่างๆแล้วก็นำเอามาถวายให้กับพระภิกษุสามเณรและอีกเงินทองอีกก้อนหนึ่งก็ถวายไว้สําหรับการ ทำนุบำรุงดูแลวัดวาอารามอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัตถุทานคือเราให้ข้าวของเงินทองซึ่งเป็นวัตถุเราจึงเรียกว่าวัตถุทานคือการให้วัตถุข้าวของเงินทองนี่เองทานแปลว่าการให้ส่วนถ้าท่านไม่มีสมบัติข้าวของเงินทอง เหลือกินเหลือใช้เช่นพระภิกษุสา ม, มนเณรหรือครูบาอาจารย์ที่ทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตมักจะไม่ร่ำรวยเพราะไม่ได้ทำการค้าขายทำเพียงแต่เกินเงินเดือนไปเดือนเดือนหนึ่งบุคคลเหล่านี้ก็สามารถให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นได้คือ นอกจากเวลาที่สอนเด็กในโรงเรียนตามเวลาของทางราชการแล้วถ้ายังอยากจะให้ความรู้แก่เด็กเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเสริมความรู้โดยไม่รับเงินทองเป็นค่าตอบแทนอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความรู้เรียกว่าวิทยาทานส่วนพระภิกษุสมัมมเนย หลังจากได้บวชได้ศึกษาได้ร่ำเรียนได้ปฏิบัติพอมีความรู้ทางด้านธรรมะก็เอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพ่ให้แก่ญาติโยมโดยไม่คิดเงินค่าตอบแทนแต่อย่างใดเช่นการแสดงธรรมที่นี่ก็ไม่มีกันเทศคือไม่มีความต้องการที่จะรับเงินรับทอง เป็นค่าจ้างเพราะอยากจะทำให้เป็นธรรมทานคืออยากจะให้ธรรมะอยากจะทาบุญด้วยการให้ธรรมะเพราะประโยชน์ที่ได้รับนี้มากกว่าเงินทองที่จะได้รับมาผู้ที่ให้จะมีความสุขใจมีความอิ่มใจมีความภาคภูมิใจนี่เรียกว่าธรรมทานคือการให้ธรรมะ การให้ธรรมะในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือถ้าญาติโยมไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้แต่ได้อ่านหนังสือที่มีคุณค่าที่เห็นว่ามีคุณมีประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจก็อยากจะนำเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นก็สามารถพิมพ์เอาไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นได้ อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมทานเช่นเดียวกันในบรรดาท า, านที่พูดมานี้มีธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรงรัสว่าเป็นเป็นการให้ที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุดเพราะธรรมะนี้ถ้าเป็นมีคุณค่าสำหรับจิตใจมากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นเองเราให้วัตถุเข้าของเงินทอง ก็เป็นเพียงแต่การให้แก่ร่างกายไม่ได้ให้จิตใจโดยตรงให้บ้างก็คือทำให้จิตใจสบายใจที่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่อดอยากขาดแคลนแต่ยังไม่ได้ให้แก่จิตใจโดยตรงไม่เหมือนกับการให้ธรรมะเพราะธรรมะนี้เป็นแสงสว่างที่จะทำให้จิตใจมีปัญญา มีความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำพาจิตใจแต่ละดวงให้ได้เดินทางไปสู่ที่ปลอดภัยไปสู่ที่ไกลจากความทุกข์ทั้งหลายดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายได้เดินไปถึงท่านเหล่านี้ท่านมีแสงสว่างแห่งธรรมนำพาให้ท่าน ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นเรื่องของการให้ถ้าให้อยากจะให้ที่สิ่งที่มีคุณค่าที่สุดก็คือให้ธรรมะเรียกว่าธรรมทานดังในพระบาลีที่ตัดไว้ว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนี่คือเรื่องของทานนอกจาก การให้วัตถุทานการให้วิทยาทานการให้ธรรมทานแล้วก็ยังมีการให้อีกอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์กับจิตใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือการให้อภัยญาทานคือการให้อภัยนี้เองเวลาที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองในความอาฆาต พ, พยาบาตต่อผู้ที่ สร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายให้แก่เราถ้าเราลำลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าให้ทานไปเถิดอย่าไปถือโทษโกรธเคืองเขาเป็นการให้ที่ดีกว่าการให้วัตถุเข้าของเงินทองเสียอีกเพราะเวลาที่เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทนั้น ใจของเรากำลังถูกไฟนรกเผาผลาญอยู่และถ้าเราปล่อยให้ความอาฆาตพยาบาทนี้ผลักดันให้เราไปแก้แค้นไปกระทำสิ่งที่เป็นโทษต่อผู้อื่นเราก็จะเป็นคนที่ไม่ดีไปจิตใจของเราก็จะตกต่ำเพราะการไป ทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าด้วยเหตุผลกลไกอันใดก็ตามถือว่าเป็นการกระทาบาปและเมื่อทําบาปแล้วย่อมมีผลตามมาต่อไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ทํำไปแล้วจิตใจก็มีความรุ่มร้อนมีความหวาดกลัวเพราะเมื่อเราไปทําร้ายผู้อื่นแล้ว เราก็กลัวเขาจะกลับมาทำร้ายเราหรือจะต้องถูกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองจับไปลงโทษเราก็ต้องอยู่แบบหลบหลบซ่อนๆอยู่อย่างหวาดผวาเป็นเหมือนวัวสำหรัหวัดเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินผ่านมาทั้งๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาไม่ได้ตั้งใจจะมา จับเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมาแต่เพียงแต่เห็นก็ทำให้เราตกใจกลัวขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราสามารถนำเอาอภัยทานซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟนี้มาใช้กับจิตใจใจของเราก็จะหายร้อนหายโกรธหายอาคาตพยาบาทใจก็จะกลับมานิ่งเป็นปกติ อย่างที่เราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้ในขณะนี้ใจของเราไม่ได้ถูกไฟของความโกรธแค้นไฟแห่งการอาฆาตพยาบาทเผาผลาญเราก็นั่งอยู่เฉยๆได้เราก็รักษาสถานภาพของมนุษย์ของเทพไว้ได้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะระงับดับไฟของความโกรธของความอาฆาตพยาบาทได้ เราก็ต้องลุกขึ้นไปทำร้ายผู้อื่นไปดา่าหรือไปพูดไม่ดีต่อผู้อื่นแล้วผลเสียหายมันก็จะย้อนกลับมาที่ตัวเราคนเองคนอื่นเขาไม่รู้สาเหตุว่าอะไรทำให้เราโกรธแต่เขารู้ว่าขณะนี้เรากำลังทำตัวเป็นที่ไม่น่าดูไม่น่าชื่นชมไม่น่ายกย่องสรรเสริญ เพราะเราไม่สามารถควบคุมกายวาจาของเราให้เป็นปกติได้นั่นเองนี่คือคุณค่าของการให้อภัยดีกว่าเราไปทำบุญให้ทางเสีออีกเพราะเมื่อเราทำการให้อภัยดีแล้วเราจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข เราจะไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอบายต่อไปเพราะว่าเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมนั่นเองนี่คือเรื่องของบุญที่เรียกว่าการให้การให้นี้เรียกว่าทานส่วนบุญนี้คือผลที่เกิดจากการให้บุญนี้แปลว่าความสุขใจ ความเย็นใจความอิ่มใจความพอใจความภูมิใจถ้าเราได้ให้อะไรแก่ผู้อื่นแล้วผลก็คือบุญก็จะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราทำให้เราอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่หิวไม่อยากเกินความจำเป็นเรายังมีความหิวความอยากอยู่บ้างแต่จะไม่ได้หิวอยากเหมือนกับพวกเปรตทั้งหลาย ที่ไม่ว่าจะได้มากน้อยเพียงไรจะยังรู้สึกว่าไม่พออยู่เสมอเพราะพวกเปรตนี้ไม่เคยทำบุญไม่ชอบทำบุญให้ทานนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะเสี่ยงกับการเป็นเปรตก็ขอให้เรามันทำบุญให้ทานอยู่เรื่อยๆตามฐานะของเรามีอะไรให้ได้ก็ให้ถ้าเราไม่มีแล้วก็ถือว่า ไม่จำเป็นจะต้องให้แล้วเช่นถ้าเรายากจนเราเพียงแต่มีเงินทองพอที่จะดูแลปากท้องของเราและครอบครัวของเราเราไม่มีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เป็นไรเราให้อย่างอื่นได้เช่นเราให้อภัยอยาทานได้หรือถ้าเรามีความรู้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ชนิดไหน ที่พอจะให้ผู้อื่นได้เราก็ให้เขาไปหรือถ้าเรามีธรรมะเรารู้ว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นสงสอนให้เราทำอะไรเราก็สอนให้บอกให้แั่ผู้อื่นได้ก็เป็นการให้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องของบุญที่จำเป็นต่อจิตใจของเราที่เราควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆ เพราะจะทำให้จิตใจเราดีขึ้นสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นมีความอิ่มมีความพอมากขึ้นส่วนบุญอีกอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อจิตใจของเราเรียกว่าศีลคือการละเว้นจากการกระทำบาป5ประการด้วยกันคือหนึ่งละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองละเว้นจากการรักทรั เอาเข้าวของสมบัติของผู้อื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ 3. การประพฤติผิดประเวณีคือไป <c oughs> มีอะไรกับสามีหรือภรรยาของผู้อื่น 4. ละเว้นจากการพูดปดมดเท็คือพูดไม่จริง และห้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมาเพราะการเสพสุรายาเมาจะทำให้ขาดสติจะไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในปกติได้คนเวลาเสพสุรายาเมาแล้วมักจะไปทำอะไรที่เสียหายตามมาต่อไปเช่นขับรถยนต์ก็อาจจะไปประสบอุบัติเหตุ ไปทำให้ผู้อื่นเสีย ห, ยหายหรือถึงแก่เสียชีวิตไปหรือทำให้ตอนเองพิกลพิการหรือเสียชีวิตไปทำลายทรัพย์สินสมเช่นรถยนต์ของตอนเองซึ่งเป็นการกระทําที่ไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดการกระทําบาปทั้งห้าประการนี้ในปัจจุบันเมื่อทําแล้วก็มีโทษอย่างที่เราเห็นกัน ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปบ้างถูกประหารชีวิตไปบ้างแต่หลังจากที่ตายไปแล้วยังต้องไปใช้กรรมต่อยเพราะผู้ที่ทาบาป ท, ทากรรมนี้จะต้องไปติดคุกในอบายอบายก็เป็นคุกของดวงวิญญาณของจิตใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณแทนที่จะได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรม หรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ <c oughs> ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายก่อนไปตกนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราะเหตุที่ได้ทำไว้5าประการนี้นั่นเองคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดนมดเทศเสพสุรายามองถ้าเรารักษาศีลห้า ได้เราเวลาที่ตายไปเราก็ไม่ต้องไปติดคุกติดตารางในอบายเราก็จะได้ไปรับผลบุญที่เราทำอยู่ไปเกิดเป็นเทพทขึ้นมาทันทีถ้าเรารักษาศีลอยู่เสมอและทำบุญให้ทานอยู่เสมอใครเดือดร้อนเราก็ช่วยเหลืออยู่เสมออย่างนี้ ตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นเทพและหลังจากที่หมดบุญแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดดีกว่าเดิมจะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองดีกว่าเดิมเพราะอานิสงส์ของบุญคือการให้ทานและการรักษาศีลนี้เป็นเหตุนั่นเอง ถ้าเราได้ปฏิบัติทมอีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปก็คือฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำความรู้มาอบรมสั่งสอนจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบนิ่งเช่นนั่งทำสมาธิทำจิตใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆสอนใจให้อยู่กับ คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปในอิรยาบททั้งสีตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเลยถ้าเราสามารถสอนใจให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆใจของเราจะสงบจะเย็นจะสบายจะนิ่งถ้าตายไปก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ด้วยอำนาจของสมาธิคือความนิ่งสงบของจิตใจหรือถ้าเราได้ยินได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราอยู่ในโลกของความทุกข์เราอยู่ในโลกของการไม่มีตัวตน ไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราถ้าเราสามารถสอนใจของเราให้เห็นได้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นตัวตนของเราแต่อย่างใดใจหรือดวงวิญญาณเพียงแต่มาครอบครองมาอาศัยเหมือนกับคนที่อาศัยรถยนต์ ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์ส่วนคนขับเป็นเหมือนดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจพอดวงวิญญาณได้ร่างกายนี้มาครอบครอง <c oughs> ก็ถูกอำนาจของความหลงหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นดวงใจเป็นดวงวิญญาณพอร่างกายเป็นอะไรไปก็เกิดความทุกข์เกิดความหวาดกลัวขึ้นมา ทั้งๆ ท, ที่ดวงใจหรือดวงวิญญาณนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายแต่อย่างใดแต่เพราะไม่มีปัญญาไม่มีความเห็นที่ถูกต้องจึงหลงคิดว่าเป็นตัวตนก็เลยต้องทุกทรมานกับการเป็นไปของร่างกายเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายแก่เท่าชรา เวลาร่างกายตายไปใจก็ทุกข์ทรมานไปกับร่างกายทั้งๆ ท, ที่ใจไม่ได้เป็นอะไรกับร่างกายเลยใจก็เป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้ร่างกายนี้มาเป็นสมบัติและเป็นอย่างนั้นไปจนมันตายเพราะใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดไม่มีการดับ ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายแต่ใจนี้ถูกความหลงหลอกให้ไปหลงยึดติดกับร่างกายและสิ่งอื่นๆที่มีการแก่มีการเจ็บมีการตายทุกครั้งที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปก็จะทำให้ใจเสียอกเสียใจทำให้ใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมา นี่คือสิ่งที่เราสามารถแก้ได้คือความทุกข์ใจความหวาดกลัวถ้าเราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนที่สอนให้เรามองร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราให้มองว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากอาหารที่เรารับประทานอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟ ข้าวต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีลมมีไฟมีแสงอาทิตย์มีความร้อนต้นข้าวถึงจะเจริญ ง, งอกงามขึ้นมาได้พวกสัตว์ต่างๆก็ต้องอาศัยผักอาศัยข้าวเป็นอาหารเรากินข้าวกินผักกินเนื้อสัตว์ก็เท่ากับเราเอาดินน้ำลมไฟเข้ามาต่อเติมในร่างกายของเรานั่นเอง เอาดินน้ำลมไฟในรูปแบบของอาหารมาเปลี่ยนให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นอวัยวะต่างๆแล้วก็อยู่กับร่างกายอันนี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายเมื่อร่างกายนี้ไม่หายใจแล้วธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟก็จะแยกทางกันไปคนตายแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว ร่างกายจะเย็นจะไม่อุ่นเหมือนคนที่มีชีวิตอยู่เพราะว่าไฟธาตุไฟได้ออกจากร่างกายไปแล้วลมก็ไม่เข้ามีแต่ลมจะระเหยออกมาระบายออกมาน้ำก็จะไหลออกมาจนในที่สุดร่างกายก็จะแห้งกรอบไปทิ้งไปก็จะกลายเป็นดินไปหรือถ้าเอาเอาไปเผา ก็ไปกลายเป็นขีเท่าขี้ฐานไปนี่คือธรรมชาติของร่างกายถ้าเราให้ความสนใจพิจารณาอยู่เรื่อยๆสอนใจอยู่เรื่อยๆสักวันหนึ่งใจจะลองอ๋อขึ้นมาว่าเราไปหลงก้อนดินน้าลมไฟว่าเป็นตัวเราของเราคางจริงเขาเป็นเพียงดินน้าลมไฟเท่านั้น แต่การที่จะเห็นได้เราต้องคิดอยู่เรื่อยๆเราต้องมองอยู่เรื่อยๆไม่ใช่เพียงแต่คิดหลเดียวฟังหลเดียวอย่างนี้ยังไม่พอพอเราไม่คิดเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราขึ้นมา ท, าทันทีแต่ถ้าเราคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้มาจากดินน้ำล ม, มไฟมาจากอาหารแล้วก็จะกลับไปสู่ดินน้ำล ม, มไฟ คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจะต้องเห็นอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นความจริงอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่ยอมมองมันเท่านั้นเองพอเรามองมันอยู่เรื่อยๆจนไม่ลืมแล้วต่อไปมันก็จะฝังอยู่ในใจเราพอเราไม่ลืมแล้วต่อไปเราก็ไม่หลงไม่หลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอีกต่อไปถ้าเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ ใจของเราก็จะบรรลุขั้นพระอริยเจ้าซึ่งสูงกว่าขั้นพรหมอีกและเป็นขั้นที่ไม่เสือ่อมไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่ <Yeah. S 1> เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายหลังจากที่ร่างกายของท่านดับไปแล้วใจของท่านก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปหรือกลับมาเกิดเป็นพรมหมหรือเป็นอะไรต่อไปท่าน ท่านหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยการปฏิบัติเจริญธรรมะนี้นั่นเอง <c oughs> นี่คือสิ่งที่มีความจำเป็นต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเราควรที่จะทำนุบำรุงจิตใจอยู่เสมอคือหนึ่งให้ทานอย่างสม่ำเสมอสองรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์สามทำจิตใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิหรือด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆในชีวิตประจาวันของเราถ้าไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปหรือจะคิดแต่คำว่าบทสวดมนต์ก็ได้สวดอรหังสัมมาสวร ขาโตสุดปฏิพันโนไปสวดเท่าที่เราจําได้สวดซ้ําไปซ้ํามาก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องสวดบทยาวๆเพราะผลที่เราที่เราต้องการก็คือเราต้องการหยุดความคิดของเราเท่านั้นเองถ้าเราไม่สวดหรือถ้าเราไม่คิดถึงคําว่าพุโทโธเราก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาทันที พอคิดแล้วก็จะเกิดความรักความหลงความอยากขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราฉลาดเช่นคิดว่าร่างกายนี้มาจากดินน้ำลมไฟก็ได้เราก็จะได้ปัญญาได้ทั้งความสงบและได้ปัญญาด้วยจะทําให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากการหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆ หลุดพ้นจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดหลุดพ้นจากความอยากต่างๆได้นี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นแก่จิตใจของเราเช่นเดียวกับปัจจัยสี่ที่มีความสำคัญต่อร่างกายร่างกายเราต้องการอาหารต้องการเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต้องการที่อยู่อาศัยต้องการยารักษาโรคฉันใด จิตใจของเราก็ต้องการทานศีลสมาธิและปัญญาฉะ น, นั้นเราต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้มีแต่ความร่มเย็ยนเป็นสุขมีแต่ความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำนุบำรุงดูแลรักษาจิตใจด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการฟังเทศฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยในพระพุทธพธรรมพระสงฆ์